คือการภาวนานะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนหลายคนไปหัดภาวนานะพวกหนึ่งนะมันก็สุดตรงไปเอะก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยทําความสงบม้อย่างเดียวเลยคิดว่าจะเกิดปัญญามันคนละเรื่องกันสมาธิมีสองแบบสมาธิที่สงบแล้วก็สบายอยู่เฉยๆอันหนึง่งกับสมาธิที่ฝึกไปจนจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดู จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิเป็นคนดูเขาไม่รู้จักว่าสมาธิมีสองแบบพวกหัดภาวนาพวกหนึ่งก็สุดโต่งไปข้างนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยกี่ปีกี่ปีก็นั่งอยู่งั้นแหละก็ไม่พัฒนาหรอกอีกพวกหนึ่งก็สุดโต่งไปข้างจะเดินปัญญาะไม่ต้องทําอะไรเลยไปเข้าคอร์สเข้าอะไรนะก็เดินปัญญาบอกทํำวิปัสสนา ทำวิปั ส, สนาไม่ได้หรอกจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นยังไปทํำวิปั ส, สนาไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะ ก, ก้าวไปสู่การทํำวิปั ส, สนาเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องเสียก่อนนะก็ไม่ใช่ฝึกสมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแค่นั้น เนี่ยคนที่พาวนากันนะมันก็มีเยอะนะแต่ว่ามันไปไม่ค่อยรอดพวกหนึ่งก็ทำแต่สมาธิเคลิมเคลิมไปสงบไปเห็นนอนเห็นนี่ไปพวกนี้ไปไม่รอดเหมือนกันอีกพวกหนึ่งนะไม่มีสมาธิเลยจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ๆก็โดดเข้าไปเจริญปัญญากาหนดรูปนามอะไรต่ออะไรนะมันกลายเป็นเพ่งรูปเพ่งนามไปหมดเลยอย่างไปดูลมหายใจนะก็ไปเพ่งลมหายใจจิตไม่ถอยออกมาเป็นคนดูร่างกายที่หายใจ ไปดูท้องพองยุบนะจิตก็ถลํมลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องไม่ถอยออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบไปเดินจงกรมนะจิตก็ถลํมไปอยู่ที่เท้าอะไร่าเงี้ยไม่ถอยออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนนะเราไปเจริญปัญญาเนี่ยมันจะกลายเป็นการไปเพ่งทั้งหมดเลยเพ่งกายเพ่งใจทำสมถะไปไม่รอดหรอกแล้วเสร็จแล้วใจก็จะแข็งทื่อๆอยู่นะ ยัมีที่ใจแข็งทื่อกําหนดเก่งทั้งกําหนดไปเรื่อยเลยบอกรู้ตัวตลอดเวลาเมื่อมันผิดธรรมชาติธรรมดาไปหมดเลยนะงั้นที่พวกที่พาวนาแล้วไปไม่รอดนะเลยมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มหนึ่งทํามิจฉาสมาธิหรือไม่ก็สมาธิเคลิ้มๆไปนะเอาแต่สูงเอาแต่สบายระวังว่าจะเกิดตัญญาไม่มีทางเกิดเลยเพราะสมาธิที่จะทําให้เกิดตัญญาคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น อีกพวกหนึ่งไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเลยนะก็โดดเข้าไปทําวิปั ส, สนาไปกําหนดรูปนามเลยมันกลายเป็ น, เ, ปนเพ่งรูปนามไม่เป็นวิปัสสนาเหมือนกันกลายเป็นสมถะเหมือนกันนะเพราะนก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาได้เนี่ยเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นซะก่อนนะงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะงดงามมากเราจะโดดข้ามตามใจชอบไม่ได้เลย บทเรียนของพระพุทธเจ้ามีสบทนะบทที่1ชื่อศีลสิกขาถ้าเรียกเต็มยศบอกอธิศีลสิกขาเจะต้องมาเรียนนะมาศึกษาสิกขาก็คือคําว่าศึกษานั่นเองต้องมาศึกษาจนกรทั่งใจของเรามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นบทเรียนที่สองชื่ออธิ จ, จิตสิกขาเราต้องมาเรียนจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นโดยอัตโนมัติขึ้นมาได้บทเรียนที่3มาเป็นอธิปัญญาสิกขาเห็นใจรัก ของรูปนามได้โดยไม่ต้องเจตนาจะเห็นเนี่ยต้องฝึกเป็นลำดับไปให้ครบนะทั้งสามบทเรียนจะดีจะวิเศษมาจากไหนก็ตามให้เอาก็นั่งสมาธิเอาสงบอย่างเดียวนะพวกนี้ไปไม่รอดหรือว่าอยู่ๆก็จะเจริญปัญญานะจิตไม่มีคุณภาพก็เจริญไม่ได้จริงนะงั้นเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้ก่อนศีลนเะ น, นี่ยเบื้องต้นจงใจรักษานะตั้งใจรักษาตั้งใจงดเมน้น การทำแบบอกุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างเบื้องต้นต้องตั้งใจก่อนตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้ากลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันนะก็ตั้งใจก่อนว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าทำไมต้องตอนก่อนก่อนกินข้าวกลางวันเผื่อตอนกินข้าวกลางวันเนี้ยสำลักข้าวตายเดี๋ยวตายซะก่อนตอนที่จะไปกินข้าวอย่างเราอยู่ที่ทํางานนะไปซื้อข้าวซื้ออะไรท้องจีโลผ้าก็เกิดใช่ไหม ที่โทรศัก็เกินที่กระทบกระทั่งคนอื่นแย่งเงินกินแย่งเงินซื้ออะไรอเงี้ยที่ศีลเราดั่งพลอยไปงั้นก่อนจะกินนตั้งสตินะว่าเราจะรักษาศีลห้าเกิดสำลักข้าวตายตอนนั้นตายไปกับสินห้ายางน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดานะเป็นเป็นได้เลยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้แน่นอนนะแล้วก็ก่อนนอนนะก่อนจะกินข้าวเยน็นเอาอีกสักรอบก่อนนอนเอาอีกสักรอบหนึ่งบางคนมันนอนดึก ประเภทกินข้าวเย็นปุ๊บนอนปับ๊บก็เอารอบเดียวกันนะแต่ว่าโคงนี้ใสแย่มากเลยเนี่ยเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนนะถัดจากนั้นอาศัยสติที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานนะให้คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันะถ้าเรารู้ทันกิเลส ท, ท, ที่เกิดที่จิตราคะเกิดเรารู้ทันเนี่ยราคะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลเพราะราคะ ผิดศีลเพระราคาเนี่ยผิดได้ทั้งห้าข้อเลยนะไม่ใช่ว่ามีราคาแล้วไปแค่ขโมยเขาหรือไปเป็นชู้กับเขานะมีราคาขึ้นมานะอยากได้สมบัติเขาเนี่ฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมทำด้วยอํานาจราคานะหรือว่าไปขโมยเขาก็ได้เป็นชู้กับเขาก็ได้นะไปตลบตะแหลงหลอกลวงเขาก็ได้ใช่ไหมศีลดังพลอยมีราคานาใจมีความสุขกดีกด็ได้ไปกินเหล้าเมายากก็ได้นะ ม, มีความสุขก็ต้องเลี้ยงฉลองนึกออกไหม เนี่ยพวกเนี้ยตายก็ตายอย่างทุรักทุเลนะนอกจากขาดสติแล้วราคายัางมีอีกตายด้วยความเพลิดเพลินเมามันมีมนมโทสะก็ครอบงําจิตให้ผิดศีลห้าได้หมดเลยมีโทสะก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทําร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งเป็นชู้กับลูกกับเมียเขาก็ได้แกล้งมันะ ไปด่าว่าเขาก็ได้ไปแกล้งยอให้มันเสียคนเลยก็ได้เนี่ยด่างพร้อยทั้งหมดเลยสินไม่ใช่ว่าแม้เราพูดเพลาะนะครับก็พูดพลอยเชียรเขาไปเรื่อยนะให้เขาเสียพูดเสียคนไปเลยนั้นด่างพร้อยนะสินเราหรือโทสะจิตเศร้มองอยู่ไปกินเหล้ามีไหมเศร้าหมองแล้วไปกินเหล้างั้นมีราคาแนละ้วก็ผิดศินห้าได้หมดมีโทสะก็ผิดศินห้าได้หมดแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสครอบงำจิตนะั้นจะไม่ผิดสินสีนอัตโนมัติจะเกิด งั้นเราค่อยมีสตินะรักษาศีลห้าเนี่ยถ้าอยู่ๆก็ไปตั้งใจบ่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้ารักษายากที่สุดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรักษาจิตเนี่ยการรักษาศีลห้าจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยนี่แหละเป็นชั้นเชิงการปฏิบัติชั้นสูงนะในการรักษาจิตนะรักษาจิตได้เนี่ยศีลมันจะเกิดขึ้นมานะคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิด ถัดจากนั้นมาฝึกจิตให้มีสมาธินะเรียกว่าจิตตะศิขาชื่อมันก็บอกแล้วนะจิตตะศิขาเรียนเรื่องจิตนะบางคนก็บอกว่าจะทําอะไรจะรักษาศีลจะทําสมาธิจะเจริญปัญญาอันนี้พูดไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เราต้องทํานะคือต้องเรียนเพื่อให้เกิดศีลเรียนเพื่อให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเรียนเรื่องจิตนะจิตตะศิขาชื่อบอกแล้วไม่ใช่สมาธิศิกขาแต่เรียนเรื่องจิตตะศิขา แล้วก็ถึงยีขั้นปัญญาสิกขาขั้นสุดท้ายจิตสิกขาแล้วก็อาศัยสตินี่แหละเป็นตัวเรียนคอยเรียนรู้จิตไปเรื่อยจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนทั้งวันเดีย๋ยวก็เคลื่อนไปดูเดี๋ยวก็เคลื่อนไปฟังเดี๋ยวก็เคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจจิตจะเคลื่อนตลอดถ้าจิตเราเคลื่อนไปอะไรผลักดันให้จิตเคลื่อนไปนะ อำนาจของตันหาผลักดันให้จิตเคลื่อนไปลึกลงไปอีกก็คืออำนาจของโมหะจะผลักดันให้จิตเคลื่อนคือความฟุ้งซ่านนั่นเองความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตจะเคลื่อนไปตามแรงผลักของความฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านเกิดก็จะอยากโน่อนอยากนี่ขึ้นมาจิตจะทยานออกไปมันโยงกันหนะ้าระหว่างโมหะกะโลกะโลภะกะตันหา ถ้าเรารู้หลักว่าจิตมันเคลื่อนไปเพราะกิเลสอีกหละเพราะความฟุ้งซ่านของจิตหรือเพราะว่าความอยากของจิตถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วนะเราก็อาศัยสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านนะเช่นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนควรจะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะคำว่าควรจะขิดเส้นใต้ด้วยถ้าอยู่ๆจะไปดูอยู่ธรรมดางี้จะไปดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนร๊ปไปนะกว่าจะไปดูได้ตอนเย็นแล้ว เคลื่อนไปตั้งนานเนะี่ยกว่าจะกลับมารู้สึกได้ช้าไปต้องฝึกให้มันเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บไม่ใช่ฝึกให้ไม่เคลื่อนแต่ว่าเคลื่อนแล้วรู้ให้ไหวนะจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะบางคนเราทำผิดถ้าจะไม่ให้จิตเคลื่อนเลยเนี่ยเป็นอัตตะกิรมฐานนุโยคสุดโตไปข้าบังคับตัวเองถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้เนี่ยเป็นการมาสู่ขาริการนุโยคย่อหย่อนเกินไปนะเอาแค่ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ มันจะเคลื่อนเรารู้ได้เร็วด้วยสติสติไว้ก็จะรู้ได้เร็วสติเกิดจากทีราสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้รได้แม่นยํานะพอเคลื่อนปั๊บสติจะเกิดอันตโนมัติเลยงั้นหน้าที่เราเนี่ยจะต้องพาจิตให้ดูจิตที่เคลื่อนบ่อยๆต้องพามันดูจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะ ถ้ามันเห็นจิตที่เคลื่อนบ่อยๆต่อไปจิตมันจําสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นนะเพราเคลื่อนปั๊บสติเกิดอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตัวนะพอจิตเคลื่อนปั๊มจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเลยหลวงพ่อก็ฝึกใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะจิตเคลื่อนเรารู้เลยแต่ว่าหลวงพ่อสมาธิเยอะนะเยอะกว่าพวกเราหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้ง22สปีสมาธิเนี่ยชำนาญจิตตั้งมั่นเป็นตัวรู้อยู่นะเคลื่อนออกจากตัวรู้ก็เห็นละนะ หรือบางทีทําลมหายใจนะกําหนดลงมาจนเป็นแสงสว่างอยู่ตรงจมูกเนี้ยแ้วจิตเคลื่อนไปจากตัวนี้เรารู้ทันเคลื่อนไปอย่างนี้ ร, รู้ทันนะเนี่ยอาศัยทำอานาปนานสติแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะมีวันหนึ่งเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในหลวงพ่อเทียนสอนขยับนี่นะแหะตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วแต่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านมีชื่อเสียงมากอยากไปดูว่าท่านสอนยังไงนะก็เข้าไปหาท่าน ท่านกำลังสอนโยมอยู่โยมอยู่เป็นสิบเหมือนกันนะหลายสิบคนคนไปเรียนเยอะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อเทียนท่านขยับนะเออเอาบ้างสิลองดูไปนั่งใต้ต้นไม้ที่วัดท่านนั่นแหละไปนั่งไม่ได้เข้าไปศาลากับเขาหรอกไปนั่งหัดขยับก่อนจะไปเนี่ยไปอ่านหนังสือมาแล้วว่ามันมีกี่ท่า ลองซ้อมดูนะลองซ้อมนี่มาดูกระบวนท่าได้แล้วก็วามาดูเคล็ดลับของหลวงพ่อเจียนะเราได้กระบวนท่าอยู่แล้วแต่ว่ามาดูเคล็ดลับของท่านออเคล็ดลับของท่านท่านเคลื่อนไหวท่านรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งมือไม่ใช่คิดเรื่องมือไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็แม้เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกบ้างนะฝึกอยู่สองามวันนะแต่น่าจะไม่ถึงอาทิตย์เดียวเพราะวันนั้นน้นเดินอยู่ริมถนน เห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันแต่ถนนเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นมันเดินถนนสักสองเลนนะเห็นมันเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามไอ้คนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจดีใจแล้วขาดสติไม่เห็นว่าดีใจนะก้าวเท้าไปก้าวเท้าจะข้ามถนนนะพอเท้าเคลื่อนธ่านะสติเกิดเลยเพราะอะไรเพราะเคยขยับแล้วรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะ งั้นตอนนั้นขาดสตินะพอเท้าเคลื่อนไหวสติเกิดปั๊บเลยเฮ้ยเผลอไปแล้วอ่ะก็รู้ตัวความดีใจที่เห็นเพื่อนนะเราก็พอรู้สึกตัวดูปั๊บขาดสะบ้านเลยเฉยเฉยก็ทักทายนิดหน่อยพอใจละต่างคนต่างไปเ <c oughs> งั้นจะเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดอย่างเราพ่อใช้ลมหายใจแต่ก่อนแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ มาลองอย่างหลวงพระเทียนนะขยับไปแล้วจิตเคลื่อนหนีไปคิดนะก็รู้ทันขาดสติจิตเวลาขาดสติมันจะเคลื่อนไปได้หช่องนะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดใน6กช่องเนี่ยช่องที่ไปบ่อยที่สุดคือหนีไปคิดนะงั้นช่องที่หนีไปคิดเกิดบ่อยงั้นถ้าเราเรียนหกช่องเรียนยากนะเรียนเป็นช่องเดียวเอาช่องจิตที่หนีไปคิดนี่แหละ เป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนไม่ต้องเรียนหกช่องเรียนหกช่องเหนื่อยตายเลยนะเอามันช่องเดียวเคล็ดลับอันนี้มันมาตรงกับที่เนนสอนพระโพธิละเนนสอนพระโพธิละพระโพธิละใครใครเคยได้ยินชื่อถ้าไม่ได้ยินไปอ่านหนังสือทางเอกนะหลวงพ่อเขียนเอาไ ว, ว้ให้กันบ้านสรุปย่อๆนิดเดียวคือพระโพธิละเนี่ยเป็นพระเถระที่แตกฉานในพระไตรปิฎกมาก สอนธรรมะเก่งมากเลยแต่ว่าไม่ได้โสดาด้วยซ้ําไปนะไม่มีคุณธรรมมีแต่ความจําได้แล้วก็เฉลียวฉลาดจำธรรมะได้มากเวลาไปหาพระเทเจ้าแต่ละครั้งนะพระเทเจ้าท่านจะแกล้งท่านจะแกล้งเพื่อสอนนั่นแหละท่านจะเรียกว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าโพธิละเพรว่าใบลานเปล่ามีใบลานที่ไม่มีตัวหนังสือมีจิตที่ปราศจากธรรมะนั่นเองนะแปลตรงๆนกะ็คือจิตที่ปราศจากธรรมะนึ่งใบลานเปล่า จิตก็มีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าจิตดวงนี้ว่างเปล่าไม่มีคำผีไม่มีตัวหนังสือท่านถูกเรียกนะทั้งๆ ท, ที่ท่านลูกศิษย์ลูกหามากเนี่ยท่านอายท่านละอายใจแต่ว่าท่านเนีไม่ได้ทําเหมือนคนยุคเราทํานะในยุคเราเนี่ยนะพวกเจ้าสํานักบางทีมาหาหลวงพ่อนะพาลูกศิษย์มาเนี่ยลูกศิษย์จะฟังรู้เรื่องนะแต่อาจารย์จะฟังไม่รู้เรื่องเครียดสุดขีดเลยกลัวว่าหลวงพ่อจะพูดไม่เหมือนตัวเองะ ถ้าพูดต่างกันนะพอคล้อยหลังเราไปจะต้องไปอธิบายใหม่ให้ลูกศิษย์เปรกลับไปอย่างเกา่านะพระธิราไม่เป็นพระโพธิราไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ไม่ไปบอกกับลูกศิษย์ว่าที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างเนี้ยเหมือนกันอย่างนี้อย่างงี้ไม่บอกเลยท่านรู้เลยว่าท่านไม่มีคุณธรรมอยู่แล้วนะท่านก็ออกจากเมืองเลยนะเข้าไปอยู่วัดกรรมฐานไปวัดป่าอะไรเงี้ยไปถึงไปหาอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าบอกว่าขอเรียนกรรมฐาน อาจารย์ใหญ่มองปั๊บพระพุทธเจ้ายัางไม่สอนเลยนะเราก็ไม่สอนบังสอนยากถ้าทางสอนยากรู้มากเกินไปเขาบอกโอท่านอาจารย์โปริีระท่านความรู้เยอะกผมอีผมไม่รู้อะไรเลยถ้าพูดสมัยใหม่สมัยยุคของเราผมรู้แต่พุทโทตัวเดียวแหละผมอย่างอื่นผมไม่รู้เลยท่านไปเรียนที่อื่นเถอะนะสอนท่านไม่ไหวพระเบอร์หนึ่งสอนไม่ได้นะเนี่ยเบอร์หนึ่งสอนไม่ได้เบอร์สองสามี่ห้า ไม่มีใครสอนท่านเลยจนถึงเนนเนเนเล็กๆนั่นเองะเนนเห็นว่าองค์เนี้ยพระโพธิละเนี่ยนะใจเข้มแข็งจริงนะกล้ากระทั่งมาถามเด็กถามเนนว่ากรรมฐานเนี่ยเขาทำยังไงเนนก็จัดการเลยคล้ายๆหนังจีนนะบอกถ้าอาจารย์จะเรียนนะผมสั่งอะไรต้องเชื่อนะนี่โอ้โหเนนสั่งพระมหาเถระนะเนี่พระโพธิละบอกท่านเชื่อสั่งอะไรก็ทํา บอกท่านอาจารย์ลุยลงบ่อเลยอาจารย์โปธิระเนี่ยพระบ้านจีวอราคาแพงนะจีวอเป็นผ้าอย่างดีประเภทผ้าไหมอะไรเงี้ยนะสั่งให้ลงน้ำลงจริงๆนะพอท่านก้าวลงน้ำลึกลงไปเรื่อยนะชายจีวอนเกือบจะถูกน้ำละเณรก็บอกให้หยุดแล้วก็เด่งก็ชี้เพจที่ตลิงบอกท่านอาจารย์ดูมันมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่ง จำปรวกเนี่ยปลวกไม่อยู่แล้วละ่ะแต่เหี้ยมันเข้าไปอยู่นะเหี้ยไปขุดโพรงอยู่ข้างในจำปลวกแล้วเหี้ยเนี่ยมันขุดรูสําหรับออกจากจำปรวกเนี่ยหกช่องท่านอาจารย์อุดมันหช่องนะแล้ว เ, เปิดไว้ช่องเดียวเดี๋ยวท่านอาจารย์จะจับเหี้ยได้นะ้วก็เนนขยับจะสอนต่อท่านโปรธิระบอกพอแล้วเนนเข้าใจละเข้าใจไหมหกช่องนะเอามันช่องเดียวคือช่องใจนี่เองนะ ตามองเห็นรูปใจต่หากที่หวันไหวรู้ทันใจที่หวันไหวนี่หูได้ยินเสียงรู้ทันใจที่หวันไหวนี่จมูกได้กลิ่นรินได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกรู้ทันใจที่หวันไหวก็ลงมาที่ใจอันเดียวนะเนี่ยการที่จะภาวนานะถึงขั้นเดินปัญญาก็ลงมาที่ใจอันเดียวก็พอส่วนการฝึกให้มีสมาธินะจะไปฝึกทีละหกช่องมันก็ยากนะขนาดเดินปัญญายังลงมาที่ใจอันเดียวอย่างได้เลย การจะมาฝึกสมาธินะไม่ต้องไปฝึกหกช่องอฝึกหกช่องเหนื่อยตายฝึกมันช่องเดียวช่องใจนี่แหละทําไมเอาช่องใจไม่เอาช่องตาเพราะช่องใจเนี่ยทํางานบ่อยที่สุดหลับตาอยู่ก็คิดใช่ไหมลืมตาอยู่ก็คิดฟังได้ยินเสียงก็คิดไม่ได้ยินเสียงก็คิดเห็แม่คิดเนี่ยมันยืนพื้นเลยจิตมันชอบคิดงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่คิดบ่อยๆนะจิตไหลไปคิดรู้จิตไหลไปคิดรู้เวลาจิตมันคิดเนี่ย เราเราู้เรื่องราวที่คิดนะทันทีที่รู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรามีร่างกายเราจะลืมร่างกายเรามีจิตใจเราจะลืมจิตใจของตัวเองเพราะมันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดยังไม่ทันจะรู้เรื่องราวนะรู้ทันอาการที่จิตเคลื่อนนะการเคลื่อนนะั้นมันเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะความฟุ้งซ่านของจิตนะทันทีที่รู้ว่ามันเคลื่อนนะ โมหามันจะดับอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะทันทีที่สติเกิดนะอากุศลจะดับอัตโนมัติเลยเราคอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนคอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนงั้นฝึกกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ได้นะจะเคยถนัดหายใจเข้าหายใจออกก็หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้เคยหัดพุดโทโธก็หัดพุดโทโธไปพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตไปเพ่งความรู้สึก ว่างๆอยู่ก็รู้นะพุทโธไม่มีอะไรเนี่ยพุทโธพุทโธไปใจมันจะว่างๆไปเพ่งว่างๆก็รู้อีกนะดูท้องพองยุบจิตไปเพ่งท้องก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ไปเดินจงกรมนะจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อนใน2ลักษณะอันหนึ่งก็คือเคลื่อนไปคิดหลงไปเลยอีกอันนึงเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้เรื่อยเราจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ ต่อไปจิตจะจําสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นทันทีที่มันจําสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นพอจิตเคลื่อนปั๊บนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยเคลื่อนแล้วมีคําว่าแล้วด้วยนะไม่ใช่รู้กําลังเคลื่อนนะออกกาลังเคลื่อนแล้วกาลังเคลื่อนแล้วไปถึงโน่นแลไอ้เร่างนี้ไม่เป็นหรอกนะต้องมันเคลื่อนในขณะที่เคลื่อนอยู่เนี่ยจิตเป็นอกุศลในขณะที่รู้ว่าเคลื่อนเนี่ยไม่เคลื่อนแล้วในขณะนั้นไม่เคลื่อนแล้วนะอกุศลดับไปแล้ว เพราะฉั so, foremost, le ah way, ้นตรงที่เคลื่อนเนี่ยกลายเป็นเคลื่อนแล้วพระตรงที่รู้เนี่ยเคลื่อนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเคลื่อนไปแล้วเรารู้เคลื่อนไปแล้วเรารู้นะไม่ใช่ห้ามเคลื่อนนะไม่ใช่พุทโธพุทโธห้ามจิตเคลื่อนไม่ใช่หายใจหายใจห้ามจิตเคลื่อนดูท้องพองยุบห้ามจิตเคลื่อนห้ามไม่ได้ถ้าห้ามเนี่ยตึงเกินไปถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้หย่อนเกินไปเอาแค่ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้อันนี้ทางสายกลางพอดีพอดีหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา พอเราได้จิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราถึงขั้นจ ะ, จะเจริญปัญญาได้นะถ้าจะดูจิตต่อก็ดูอย่างพระโพธิละเลยนะตาเห็นรูปจิตวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตวันไหวนะยินดียินร้ายรู้ทันนะวันไหวยังไงวันไหวขึ้นมามีความสุขเกิดขึ้นบ้างมีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างมีความเฉยเฉยเกิดขึ้นบ้าง น, นี่มันแปรปรวนให้ดู หรือเป็ น, ป น, ปนกุศลขึ้นมาบ้างเป็นอกุศลขึ้นมาบ้างเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หายเนี่ยหมุนอยู่อย่างนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมาดมไปจิตก็กระเทือนขึ้นมาปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยเราก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้สบายๆรู้เหมือนรู้คนอื่นนะใจเราไม่ไหลเข้าไปตรงที่มันเคลื่อนขึ้นมานะอย่าให้ใจไหลเข้าไปที่ตรงที่มันเคลื่อนถ้าใจไหลเข้าไปที่เคลื่อนจะกลายเป็นเพ่ง นะเหมือนดูท้องพองยุบแล้วใจไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้เพ่งรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ น, นี่เพ่งนะงั้นเวลาที่เราดูจิตที่ไหวตัวเนี่ยก็อย่าถลำไปลงไปที่ตรงที่มันไหวดูห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นไปถ้าถลำลงไปจ้องใส่มันมันจะนิ่งไปหมดเลยนะไอ้ที่ไหวๆมันจะนิ่งหายไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเฮีย้ยไม่กล้าโผล่ขึ้นมาจากจำฝรัวอันนี้มันกลัวพระโปธิรน่าจะตีหัวมัน งั้นถ้าพาระปวทิละท่านจะจับเหี้ยตัวนี้ในจําปลวกนะท่านอุดช่องไปห้าช่องอีกช่องหนึ่งท่านต้องหลบหลบชำรืองินชำระงปลวแล้วค่อยฟาดหัวมันนะไม่ใช่จ้องปิดไปห้ารูแล้วหรูสุดท้ายจ่องเนี้ยตัวอะไรมันจะโผล่มาให้ดูกิเลสี่ไม่โผล่ให้ดูเลยมันจะซ่อนหมดเลยนะฟังเสียงแล้วดูซิว่าจิตไหวไหม ใครเห็นจิตพิ้วพลิวพางไตามเสียงนะเนี่ยใครรู้ง่ายๆยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมว่าไอ้ที่พลิ้วพิ้วหยุดไปแล้วนะจะพลิ้วไปช่วงหนึ่งแล้วก็หายเดี๋ยวก็พลิ้วใหม่้็หายแล้วพลิวพลิ้วขึ้นมานี่หูได้ยินเสียงใจก็ปรุงขึ้นมาใจก็แข่งขึนมาใจสะเทือนหูได้ยินเสียงใจก็สะเทือนก็มีสติรู้นะถ้าไม่มีสติรู้สะเทือนก็จะต่อเลยปรุงต่อ โอ้ oh, ะระฆังวัด น, นี้ะระฆังก็เสียงดีนะแต่พระที่ตีนะ่ะตีไม่เก่ง oh. อ่าอย่างนีง้มันจะปรุงต่อไปบางวัดนะเอาอย่างนั้นเลยไปบางวัดนะท่านตีเป็นทำนองเพลงเลยนะใช่ไหมให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเมื่อกี้ใจคิดรู้สึกไหมพอหลวงพ่อเล่าเรื่องตลกใจเราก็คิดตามใจเราขำใจเรามีความสุขขึ้นมารู้สึกหมแต่ความสุขอันนี้ประกอบด้วยความหลงด้วยใช่ไหม เมื่อกี้กาลัางหลงเพลินมีความสุขขึ้นมาไม่รู้งั้นความสุขตัวเนี้ประกอบด้วยโลภะนะมีกิเลสซ่อนอยู่มันมีความไม่รู้คือตัวโมหะยืนพื้นอยู่ะงั้นความสุขตัวเนี้จิตดวงเมื่อกี้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นโลภะมูลจิตนะจิตที่ประกอบด้วยโลภะนะจิตที่มีความสุขเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้ามีความสุขแล้วเราก็มีสติอยู่จิตดวงนี้เป็นผลของกุศลแล้เป็นจิตที่ดี สังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดพวกเราส่วนใหญ่ไปรวบจิตเข้ามาจิตจะนิ่งนิ่งทื่อๆขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงหูได้ยินเสียงใช่หไหมจิตก็เป็นอย่างหนึ่งพอเสียงหายไปจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งได้เนี่ยคอยดูนะตามองเห็นรูปให้มันเห็นไปเรามีตาตามองเห็นรูปให้มันเห็นไปแต่เห็นแนละ้วจิตเราเป็นยังไงเรารู้ทัน หูได้ยินเสียงให้มันได้ยินไปนะจิตเป็นยังไงเรารู้ทันใจมันคิดให้มันคิดไปแต่มันคิดแล้วจิตเป็นไงให้รู้ทันใช้หลักอันนี้นะแล้ไปภาวนาจะไม่ยากอะไรหรอกไม่นานเราก็จะเริ่มเห็นเฮ้ยจิตนี้ไม่เที่ยงว่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหรือจะดูต่อไปเฮ้จิตนี้บังคับไม่ได้หรอกมันจะสุขมันก็สุขได้เองมันจะทุกข์มันก็ทุกข์เองไม่ได้สั่งมันนะสั่งมันไม่ได้ มันจะสั่งไม่ให้โกรธมันก็โกรธได้นะสั่งให้จิตเป็นกุศลใจบุญใจกุศลแป๊บเดียวก็เป็นอากุศลอีกแล้วสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้คือเห็นอนัตตาอันนี้คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่นั่งจ้องจิตนะแต่ว่าให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันนี่แหละถึงจะเรียกว่าการดูจิต ไม่ใช่ดูแล้วก็นิ่งว่างๆอยู่นะอันนั้นตึงเกินไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยนิ่งเฉยๆนะหรือใจลอยไม่เห็นเลยอันนี้หย่อนเกินไปนไม่ไ ม, ไม่ต้องไม่ตึงเพลนไปไม่หย่อนเกินไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนเใช้หลักอ น, นินะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตึงไปเนี่ยจะบังคับตัวเองให้ลําบากหย่อนไปเนี่ยจะตามใจกิเลสลงไปเลยนะงั้นทุกอย่างที่ฝึกให้มันพอดีเอาแค่ว่าเบื้องต้น ต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยการรู้ทานจิตที่เคลื่อนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทานจิตที่หนีไปคิดจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดแล้ ร, ลรู้ฝึกนี้ให้มากต่อไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองนะถัดจากนั้นพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าไปอยู่เฉยนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแหละพอกระทบแล้วจิตเป็นยังไงก็มีสติรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นงั้นสรุป คำสอนเรื่องวิปัสสนาหลวงพ่อย่อลงมาเลือประโยคน์เดียววให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเหลือเท่านี้เอง นะถ้าเราจะดูจิตก็ดูไปเลยมีสติรู้จิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทําไมต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะความจริงของจิตมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราดูตามความจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตใจตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงจิตใจตามความเป็นจริงคือบังคับไม่ได้ร่างกายตามความเป็นจริงคือเป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเนี่ยต้องเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตานะในกายในใจอย่างนี้ถึงจะได้เห็นความจริง แม้ไม่ใช่ไปดูตัวกายแล้วก็น er lim ิ่งอยู่ที่กายนะไปดูลมหายใจก็นิ่งอยู่กับลมหายใจไปดูท้องแล้วก็ไปนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาหรือไปดูจิตเรไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่อย่างนั้นไม่เกิดปัญญาต้องต้องรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงมันตามความเป็นจริงมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นนะจิตเราเป็นคนดู ถ้าจิตเราอินจิตเราไหลเข้าไปในรูปธรรมที่เป็นสติไประลึกเนี่ยจิตกับรูปธรรมจะรวมเป็นก้อนเดียวกันกลายเป็นตัวกูขึ้นมานะถ้ามีนามธรรมาเกิดขึ้นจิตไหลรวมเข้ากับนามธรรมาไปมันก็เป็นตัวกูขึ้นมาอีกแต่ถ้ามันไม่ไหลไปรวมกันมันแยกกันอยู่นะตัวกูมันจะหายไปเพราะว่าความไม่มีตัวมีตนนะเรื่องอนัตตานะส่วนความรู้สึกว่ามีตัวมีตนนะเราเรียกว่าอัตตาอัตตาไม่มีจริงนะเป็นความสําคัญผิด อะไรที่ทําให้เราไม่สามารถเห็นอนัตตาได้คณะนะขรรคังนหนูห์คณะทําให้เราไม่สามารถเห็นอนัตตาได้คําว่าคณะก็คือการที่ขันนัมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมันจะรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมากายกใจมารวมกันมันก็เป็นกายของเราขึ้นมานะเป็นตัวเราขึ้นมานะใจไปรวมกับความรู้สึกนึกคิดก็เป็นตัวเราขึ้นมานะ แต่ถ้ามันแยกกันออกมาใจเป็นคนดูขันต่างๆแยกออกไปจะพบว่าขันต่างๆนั้นรวมทั้งตัวใจด้วยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแต่สภาวะธรรมเฉยๆที่เกิดแล้วก็ดับไปงันะ้นให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยกันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่าไปห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนเนื้อตึงเกินไปถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้เนี่ยหยอดเกินไปน ะ, ะไปกินข้าว เวลากินข้าวคือเวลาเรียนธรรมะนะไปดูเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็หลงดูไปด้วยนิมนตน์เลยครับนิมนต์